ด้วยรักบันดานิทานสีขาวเรื่องผู้นำคนใหม่ระวีและวิกรมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาตั้งแต่เล็กเมื่อทั้งสองอายุได้สิบห้าปีผู้นำหมู่บ้านก็นำเงินที่รวบรวมได้จากชาวบ้านมอบให้แก่เด็กหนุ่มทั้งสองเพื่อเป็นทุนไปศึกษาวิชาการต่างๆต่ อ, อยังเมืองหลวง ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าทั้งสองเหมาะที่จะได้รับทุนนี้มากที่สุดจงไปค้นหาสำนักอาจารย์ชั้นยอดในเมืองหลวงแล้วศึกษาวิชาความรู้เหล่านั้นอย่างภาคเพียรกระทั่งในปีที่พวกเจ้ามีอายุครบยีหปีบริบูรณ์ขอให้เดินทางกลับมายังหมู่บ้านของเราเพื่อให้ชาวบ้านเลือกว่าใครสมควรที่จะได้รับตำแหน่งผู้นําหมู่บ้านเพื่อดูแลพวกเขาต่อจากข้า ระวีและวิกรมดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้ไปศึกษาต่อเขาสัญญาแก่ผู้นำในหมู่บ้านและชาวบ้านทุกคนว่าจะเข้าเรียนในสํานักอาจารย์ที่ดีที่สุดเพื่อนาความรู้นั้นมาพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อไปถึงเมืองหลวงระวีและวิกรมได้เลือกเรียนในสํานักของอาจารย์ที่แตกต่างกันระวีเห็นว่า หมู่บ้านคงไม่มีความสุขหากผู้นําไร้คุณธรรมในการปกครองดังนั้นระวีจึงเลือกเข้าศึกษาในสํานักของอาจารย์ที่เน้นการสอนเรื่องคุณธรรมและปรัชญาแห่งความเป็นมนุษย์มากกว่าความเก่งกาจทางด้านวิชาการส่วนวิกรมนั้นมีความคิดเห็นต่างไปจากระวีโดยสิ้นเชิงวิกรมคิดว่าตัวเขาต้องมุ่งศึกษาศาสตร์ความรู้ต่างๆให้มาก จะได้รู้ว่ารู้มากกว่าเก่งกว่าและอยู่เหนือกว่าผู้อื่นซึ่งน่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นําดังนั้นวิกรมจรึงเข้าศึกษาในสำนักของอาจารย์ที่เน้นการศึกษาศาสตร์ต่างๆที่มีความหลากหลายนับร้อยนับพันสาขายกเว้นด้านคุณธรรมที่เห็นจะไม่มีความสาคัญเลยในสานักแห่งนี้ระวีและวิกรม ขยันศึกษาในสำนักของตนอย่างภาคเพียรต่างพักอยู่ในสำนักของอาจารย์ที่ตนศึกษาและแทบจะไม่ได้เจอหน้ากันมีอยู่ครั้งหนึ่งวิกรมเข้าไปเก็บตัวอย่างพืชพันไม้ในป่าตามคำสั่งของอาจารย์เพื่อนํากลับไปศึกษาในสำนักระหว่างที่เก็บดอกไม้อยู่ดอกหนึ่งด้วยความรีบร้อนไม่ทันระวังตัวน้ําอันแหลมคมของมันก็ขูดเข้ากับท้องแขนของเขาเป็นทางยาว จนมีเลือดไหลซิบๆออกมาวิกรมโกรธต้นไม้ต้นนี้มากจนรู้สึกเดือดพล่านเขาเกล่าวคำสท์แช่งต่างๆนาน า, นาแก่ต้นไม้เป็นการใหญ่ตอนนั้นเองที่ระวีเดินผ่านมาเห็นพอดีเขารีบเข้าไปห้ามเพื่อนและเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระวีก็พูดว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยเพื่อนเอ๋ยต้นไม้ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็อยู่ของเขาดีดี เพื่อนต่างหากที่ไปรุกรานทำร้ายเขาจงกล่าวคำขอโทษและแผ่เมตตาให้แกต้องไว้เธอวิกรมได้ฟังดังนั้นก็พานโกรธระวีไปอีกคนคราว่ากล่าวระวีในเรื่องที่เลือกสำนักอาจารย์ในการศึกษาไม่เป็นทำให้เงินจากน้าพักน้ําแรงของชาวบ้านที่สู้อุตสาห์แบ่งปันมาให้ต้องสูญเปล่าไม่เป็นเช่นนั้นหรอกเพื่อนเพราะตัวข้านั้นมันศึกษาคุณธรรมอยู่เป็นนิด ค่าสำนึกในคุณค่าและบุญคุณของชาวบ้านเสมอระวีแก้ความเข้าใจผิดของเพื่อนมีคุณธรรมแต่ขาดความรู้จะทำอะไรได้หากเจ้าไปบอกใครๆว่าตัวเจ้ามีคุณธรรมเขาจะชื่นชมเจ้าเท่ากับที่เจ้าแสดงภูมิความรู้ให้เป็นที่ปรากฏหรือดูอย่างข้านี่สิข้ารู้จักพืชพันธุ์ในป่านี้ทุกชนิด เพราะข้าขยันท่องชื่อของพวกมันทั้งวันทั้งคืนจนแม้แต่อาจารย์ก็ยังชื่นชมไม่ขาดปากว่าข้านั้นมีความจำเป็นเลิศส่วนเจ้าเล่ารู้อะไรอย่างที่ข้ารู้บ้างวิกรมกล่าวโ อ, อ้อวดถูกแล้วเพื่อนเลยข้าไม่รู้อะไรมากเท่าที่เจ้ารู้หรอกข้าไม่รู้ว่าพืชพันเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างแต่ข้ารู้ว่าพวกเขาในที่นี้ทุกต้นล้วนมีชีวิตมีความรู้สึก เพราะฉะนั้นเราไม่ควรกล่าวคำชั่วร้ายแก่ต้นไม้เพราะจะทำให้ต้นไม้เศร้าใจมากระวีกล่าวไรส า, าระสิ่งที่เจ้าพูดล้วนจับต้องไม่ได้และข้าก็ไม่เชื่อเจ้าด้วยวิกรมพูดกระแทกเสียงดังแล้วเดินจากไปอย่างขัดเคืองใจส่วนระวีนั้นเห็นใจต้นไม้เขาจึง น, นั่งแผ่เมตตาให้แก่ต้นไม้เป็นเวลานานเวลาผ่านไปจนกระทั่งระวีและวิกรม มีอายุเข้าสู่ปีที่25ทั้งสองจึงกล่าวลาอาจารย์ของตนแล้วเดินทางกลับหมู่บ้านซึ่งมีชาวบ้านมารอให้การต้อนรับอยู่แล้ววิกรมนั้นเมื่อมาถึงหมู่บ้านก็พูดจาโอ้อวดแสดงภูมิความรู้ต่างๆของต น, น, ตนแก่ชาวบ้านทันทีผิดกับระวีที่พูดน้อยและกล่าวแต่คำไถ่าถามแต่และทุกสุดดีบของชาวบ้านอย่างมีอัธยาศัยไมตรีผู้นาหมู่บ้านกล่าวว่า ในอีกสามเดือนข้างหน้าข้าจะจัดให้มีการเลือกผู้นําหมู่บ้านคนใหม่ดังนั้นช่วงนี้ขอให้พวกเจ้าตัดสินใจให้ดีว่าระหว่างระวีกับวิกรมพวกเจ้าอยากให้ใครขึ้นมาเป็นผู้นําหมู่บ้านเราต่อจากข้าแรกๆนั้นชาวบ้านออกจะมีใจนิยมชมชอบในตัวของวิกรมมาก มากกว่าระวีเนื่องจากดูทรงภูมิและมีความรู้ต่างๆมากเวลาวิกรมพูดอะไรแต่ละครั้งเขาจะใช้คาพูดยากๆที่ชาวบ้านฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะรู้สึกว่าพูดไปแล้วจะทำให้ตนเองดูมีความรู้และฉลาดกว่าผู้อื่นเมื่อมีชาวบ้านคนใดเอ่อยถามเพื่อความเข้าใจวิกรมก็จะหัวเราะก่อนจะอธิบายอย่างอวดภูมิและตกท้ายด้วยคาพูดแบกยกตนข่มท่าน เหมือนว่าคนที่ถามนั้นเป็นคนโง่เพราะแม้แต่เรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ไม่รู้ดังนั้นในระยะหลังๆจึงไม่มีใครกล้าถามหรือพูดอะไรกับวิกรมอีกเพราะกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโง่ฝ่ายระวีนั้นไม่เคยแสดงภูมิใใดๆให้เป็นที่ประจักษ์จนแรกๆชาวบ้านต่างพากันคิดว่าระวีนั้นไรความโดดเด่นจนไม่มีอะไรให้พูดถึงตัวเองแต่เมื่อได้ลองคุย พูดคุยทักทายกันบ้างตามประษาก็พบว่าพวกเขาสามารถเข้าใจในสิ่งที่ระวีพูดได้ง่ายกว่าคำพูดของวิกรม พอรวีสนทนากับชาวบ้านด้วยภาษาที่เรียบง่ายทำให้สามารถสื่อสารเข้าใจได้ตรงกันยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็ค่อยๆรู้สึกว่าถ้อยคำสั้นๆง่ายๆที่รวีพูดนั้นแท้จริงแล้วกลับแฝงไว้ด้วยความเฉียบแหลมอยู่ในทีชาวบ้านจึงเริ่มมองรวีในแง่ใหม่และเข้ามาพูดคุยกับเขามากขึ้นสามเดือนผ่านไปถึงเวลาที่ชาวบ้านต้องเลือกผู้นาคนใหม่ ผู้นำหมู่บ้านคนปัจจุบันจึงมอบก้อนหินสีขาวให้ชาวบ้านคนละหนึ่งก้อนแล้วให้เข้าไปหยอดในกล่องที่อยู่หลังฉากกั้นทีละคนทีละคนโดยให้เลือกหยอดลงในกล่องใบใดใบหนึ่งระหว่างกล่องของวิกรมกับกล่องของระวีวิกรมมองชาวบ้านเดินเข้าหลังฉากกั้นไปลงคะแนนด้วยความกระยิมยิ้มย่อง เขาแน่ใจว่าด้วยความฉลาดทั้งหมดที่ได้แสดงออกสู่สายตาชาวบ้านจะทำให้ตนเองได้รับเลือกเป็นผู้นำหมู่บ้านอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่ระวีไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาและยืนรอผลการเลือกตั้งด้วยท่าทางที่สงบนิ่งผลออกมาแล้วผู้นำหมู่บ้านประกาศหลังนับคะแนนเสร็จผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำหมู่บ้านต่อจากข้าคือ ระวีสิ้นคําประกาศของผู้นําหมู่บ้านคนปัจจุบันเสียงชัยโยโห่ร้องจากชาวบ้านก็ดังกระหึ่มขึ้นด้วยความยินดีทันทีส่วนวิกรมนั้นยืนงงเป็นไก่ตาแตกและคิดว่าตนเองน่าจะฟังผิดไปเดี๋ยวก่อนสิท่านผู้นําหมู่บ้านท่านประกาศผลผิดไปนะวิกรมรีบทักท้วงไม่ผิดหรอกกล่องของระวีอัดแน่นไปด้วยก้อนหินสีขาว ส่วนของเจ้านั้นไม่มีก้อนหินเลยสักก้อนเดียวผู้นําหมู่บ้านบอกว่าอย่างไรนะเป็นไปนไม่ได้หรอกข้าเป็นผู้มีความรู้มากนะทุกคนต้องเลือกข้าเป็นผู้นําสิวิกรมพูดอย่างเดือดดาลด้วยความรู้สึกเสียหน้าและผิดหวังอย่างรุนแรงผิดแล้ววิกรมตามวิสัยของผู้ที่จะมาเป็นผู้นําคนหมู่มากนั้นเขาจะต้องแสดงคุณค่าความเป็นมนุษย์ ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพูดคนที่มีคุณค่าต้องพูดแต่สิ่งดีๆและมองผู้อื่นในแง่ดีอยู่เสมอเพราะคำพูดนั้นสำคัญมากเมื่อพูดออกไปแล้วไม่ว่าจะทำอย่างไรก็เรียกคืนมาอีกไม่ได้หากพูดไม่ดีคำพูดนั้นก็จะไปประทับอยู่ในจิตใจและสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้อื่นไปนานแสนนาน ดังนั้นผู้นำจะต้องเป็นคนที่พูดเป็นคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดดีและเต็มไปด้วยความรักความเมตตาในจิตใจจึงจะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองเกิดความสุขได้อย่างแท้จริง วิกรมได้ฟังหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวดังนั้นก็เริ่มคิดได้และเมื่อได้มองย้อนกลับไปถึงการกระทําต่างๆที่ผ่านมาของตนเองเขาก็รู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นตนเองได้สร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้อื่นเสมอมาผิดกับรรวีที่นึกถึงแม้แต่จิตใจของดอกไม้ดอกเล็กๆบัดนี้เขารู้แล้วว่าตนเองไม่เหมาะกับตาแหน่งผู้นาหมู่บ้านรวีต่างหาที่เหมาะสมกับตาแหน่งนี้ทุกประการ ดังนั้นวิกรมจึงหันไปแสดงความยินดีกับระวีด้วยใจจริงและมุ่งมั่นว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีมีคุณค่าและช่วยเหลือระวีในการพัฒนาหมู่บ้านด้วยความจริงใจตลอดไปเธอทั้งหลายการเป็นผู้มีความรู้มากนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีหรอกตรงกันข้าม เธอเองควรที่จะหมั่นศึกษาหาความรู้ต่างๆมาประดับตนเองไว้เสมอแต่อย่ารู้วิชามากจนลืมไปว่าคุณค่าแห่งความดีนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั้นไม่มีประโยชน์และเสียเวลาขคนคายหาความรู้ไปเปล่าๆเธอควรมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและความดีความรู้ของเธอจึงจะเกิดผลสูงสุด ทั้งแก่ผู้อื่นและตัวเธอเองซึ่งนั่นจะทำให้เธอรู้สึงถึงคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและกลายเป็นที่ต้อนรับของผู้คนในทุกหนทุกแห่งที่เธอย่างก้าวไปถึง